อันนี้มันเกิดขึ้นมาทำความยินดีเลี่ยมสเต็มใจวันนี้สงบละเอียดพิจารณาอะไรปลอด่งไปหมดเย็นสบายไม่มียี่เด็ดตัญหาหนาไหนจะเข้ามาลบกวนใจรู้สึกสบายมากแต่วันหลังมาเข้าไม่ได้อย่างเก่าทำไม่ได้อย่างเก่าเสื่อมไปแล้วเสียไปแล้วเดือดร้อนวุ่นวายอยากให้สิ่งนั้นมันเป็นมันเห็นมันรู้อีก แต่มันไม่เป็นไม่เห็นไนรู้มันก็เลยเสียใจขึ้นนี่คือการจะ ท, ทําบําเพนมันเป็นอย่างนั้นมันเห็นมันรู้มีชั่วผิดถูกต่างๆ่างก็ดูความไม่เคยหรือเคยบ้างแล้วแต่มันยังไม่ถั่วถึงของมันมันก็ต้องคิดค้งองใครเล่าไม่ชอบใจในท้องดีคนธรรมดาสามัญชนชอบความสงบความเย็นท้องใจความละเอียดท้องใจ ความปลอดภัยปล่อยวางสัญญาอารมณ์ให้ก็ชองให้ก็ยินดีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายเดือดร้อนต่างๆให้ก็ไม่ยินดีแต่มันก็มีอยู่ในตัวของเรามันเคยเกิดขึ้นเป็นขึ้นทั้งทั้งดีทั้งชั่วเคยประสบพบมาแล้วจึงทราบทั้งสองเงื่อนดีก่าตามชั่วกว่าตาม สิ่งได้เกิดขึ้นได้สิ่งนั้นจะมีวันเวลาดับไปได้มันเกิดขึ้นเป็นขึ้นก็เพราะเราก็ทํทำบำเพ็ญในเหตุที่ดีมันจึงเกิดขึ้นในทางดีเนื่อมันในเกิดขึ้นในทางดีก็นนกเพราะเราไปทำสิ่งที่ชั่วมันจึงเกิดอารมณ์ชั่วขึ้น อยากจะเห็นจะเป็นว่าภาวนาบำเพ็ญคุณความดีอยู่แต่ถ้าว่าจิตไปคิดไปปรุงว่าวันนั้นมันดีอย่างนั้นนั้นมันดีอย่างนี้แต่วันนี้ทําไมมันไม่เป็นให้ด้จิตไปเกาะไปเกี่ยวอยู่แต่วันที่มันเป็นมันเห็นนย่แต่วันที่มันเป็นมันเห็นเราพิจารณาอย่างไรมันจึงเป็นไปให้แต่วันนี้เราไปหมายมั่นปั่นย่อเอาว่ากินวันนั้นมันอร่อย แต่มันก็ผ่านมาแล้ววันนี้นายกินอยากจะให้มันอร่อยเหมือนวันนั้นมันอร่อยไปไม่ได้หน้าที่ของผู้ภาวนาต้องพิจารณาให้ทั่วให้รู้ตัวแล้วมันเห็นต่นต่อของมันว่ามันเกิดขึ้นจากที่ไหนนั่นแหละจะตัดต้นตอโคนต่นตอได้ถอนว่าถอนโคนมันได้ถ้าไม่เห็นต่นตอจริงจังแล้วมันข่ามันไม่ซาวถอนมันไม่ได้ดึงมันใมออก จุที่พิจเจนาผู้ศึกษาธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเห็นเป็นจริงจังเรื่องเหล่านี้ไม่ใชทใ่ท่านจูตเปล่าเปล่าแต่ใจลมปากท่านเห็นท่านเป็นมาละเอียดขนาดไหนหยาบขนาดใดเคยเป็นในจิตในใจของท่านท่านจึงนาําเรื่องจิตเป็นจิตเห็นจิตรู้ที่ท่านเคยกาหนดพิ่เจนามาเน้นสอนจิตญานุสิ สร้างหน้าสร้างาตาประพฤ่งปฏิบัติไม่ใช่ท่านหยิบยกเอาไมาจากตำรานั้นตำรานี้ตำรากขอเคารพ บ, บูชาไว้เป็นที่สุดแต่มันเกิดขึ้นจา ก, จ, ากจิตจใจมันประทับมากคืออาจารย์หรือตำหลับตำราเขาพูดถ้าทำเราเคารพบแต่เท่าไหจะเคารพเท่าที่มันเจนกับเราไม่ได้ถ้ามันเจนมาเห็นกับเราแล้วเราเคารพบมากศรัทธ คือมาประกาศศาสนาคือพวกผู้คนทั่วไปเรีนศึกษาพระพุทธปฏิบัตินะั้นเป็นพระพุทธทเจ้าตัวของฐานตึกถูกขีบริสุทธิ์พระพุทธปฏิบัติมาถูกทางแก้ไขยืเดเตัอนหาอาสวะขาดจากใจจริงแต่เราไม่เห็นไม่เป็นในตัวของเราพุทธะของเรายังไม่มี มันก็ยังสงสัยเมื่อเราประพฤติปฏิบัติเขา้าเช่นพุทธะของเราเกิดขึ้นพุทธะองค์นี้อเป็นพุทธะสำคัญใครเห็นใครเป็นในตัวแล้วคนนั้นจะห้ามสัน้นความชี่อวดสังๆไม่ให้เกิดให้เป็นขึ้นในตัวได้เร่อนพุทธะศาสนาืิพระพุท ธ, ธเจ้าที่ประกาศศาสนานั้นเห็นถ้าไม่บาเพ็ญไม่กระทา ไมละไม่ถอนขั่วเสียต่างๆของตัวเห็นก็แสดงว่ า, ก เ, กาเห็นในเกิดความเยือกเย็นสงบสุขให้อย่างเราเห็นพระพุทธรูปแต่เราคิดไปว่ารูปนี้เป็นรูปของสิ่งบริสุทธิ์เป็นรูปของพระพุทธเจ้าผู้ประกาศศาสนาเราได้รู้จักทานศีลภาวนามาโปรดยอย่านางของ่านเราคิดเราปรุงไปในแง่ดีอย่างนี้จิตของเราก็เหลื่อมใช้ เต็มใจปราบว่ า, ายินดีเมื่อคิดไปอย่างนั้นใจมันมีความสุขใจมันเ ย, อเยเือกเยนเมื่อเห็นพระพุทธลูปเข้าไม่ได้คิดคุงไปอย่างนั้นคิดไปอย่างใหม่เสียเหมือนเห็นจอมปวกหรือเห็นหลักตอ่อมันก็ไม่เกิดสารประโยชน์อะไรให้มีการรู้การเห็นการกระ ท, ำบำทาบาเพ็ญของพวกเราทุกคนมีตาพอดูได้มีหูพอดังออก มีใจพอคิดได้แต่เราก็ตายใจนอนใจไม่ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาไม่ตั้งหน้าตั้งตาภาวนาหาความจริงในสิ่งเหล่า น, นั้นสติของเราปัญญาของเราจริงแต่เกิดขึ้นความสลดชั่งเวทในทุกข์ทุกต่างๆไม่จริงเต็มอยู่ในจิตในใจของเราเพราะเราไม่ได้พิจารณาเพืนะ่อจะล่จะถอนมันทำมันมีแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมแต่เกิดมามันมี รูปทั่วไปในวัดจ่าสงสารหรือรูปของเราเองก็เป็นธรรมเป็นธรรมอย่างไรถ้าเราพิจนารณาจะเข้าใจว่ามันเป็นธรรมหน้าที่ของมันเป็นอย่างไรมันก็เป็นไปอย่างนั้นจะห้ามกันเสียใจตามเรื่องนัง้นนั้นมันก็ไม่มีทางสีจะแชร์ใช้ได้จะยินดีเต็มใจมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันอยู่อย่างเดิมเรื่องของรูปมันมีการ เกิดขึ้นแย่ปวนและแตกสลายแต่พวกเราท่านไม่เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นอยากจะให้มันคงเส่งคงวาอยู่เรื่อยไปเมื่อมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาเกิดเชื้ออกเสียอใจร้องให้ควรฟงังสัง่งๆนี่คือคนที่ไม่มีอัดมีทำห ร, รือที่เจรนาทำมันหลงไหลใส่ฝันไปตามเรื่องของกิเลสตัณหายิงควรที่เจรณาเรื่องของธรรมเผื่อำชำระใจ ตาเห็นรูปมันเห็นกันทุกคนรูปว่าทำถ้านำมาสอนใจมันเกิดธรรมะให้ถ้าไม่นำมาสอนใจคนไม่ตาบอดมันเห็นเหยียดเดือดสันทั้งนั้นแต่มันไม่ได้ น, นำมาที่จะน่ะเพือสอนใจของมันหูคนหูไม่หูมากกว่าด้เย็นเสียงถั่วไปเรื่งเหล่านี้สาหะว่ามันเป็นไป ต, ตามใจปรารถนาของบุคคลแล้วเชียงคนคนเดียวก็แคบไปแล้วโลกนี้ ในนี้ที่อยู่ที่อาศัยเพราะความปึงคลองใจมันปึงไปมากอยากจะให้มันเช่นอย่างนั้นอยากจะให้มันเช่นอย่างนี้มันเต็มไปทั้งโลกแต่มันคิดได้อย่างใจทําได้อย่างใจนี่มันทําไม่ได้คิดไม่ได้อย่างใจมันก็ควรที่จะเห็นเรื่องความจริงคลองมันแบบรูปนั้นก็ดีเสียงนั้นก็ดีอารมณ์คลองใจก็ดีมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่แล้วก็ตกไปตามฐานะหน้าที่ของมัน แต่เราไปเฝ้าฝันอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ที่หลงในสิ่งสี่ตัวต้องการสาธารณอยากให้คงเส้นคงวาสิ่งสี่ตัวใปสาธถนาอยากจะทําลายมันไปนี่จิตใจมันป่วนฝันเดือดร้อนเพราะอารมณ์ส่วนนี้อารมณ์ส่วนนี้จะเกิดมีกับเพราะความเหลงท้องใจอริชาปกาคุมหุ่นห่อไว้ถ้าจิตใจรู้เข้าใจแทตลอดไม่อาจดในทาแล้วไม่เป็น สิ่งเหล่านี้ดับไปหมดไปหายไปไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตทาใจให้เศร้าหมองเดือดร้อนอีกนี่คือการละการบําเพ็ญในด้านภาวนาการศึกษาเรื่องของจิตตัวเองอย่างว่ารูปว่าธรรมนามธรรมานามนั้นก็ได้แก่าดุแกขันอยู่ภายในเหมือนกัน รูปก็รูปกายนี้นามนั้นก็เวชนาความถุข ก, ก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่มีรูปร่างกลางตัวเหมือนวัตถุสัญญาความจาก็ทำนองเดียวกันสังขารซ้ามปรุงก็ทานองเดียวกันยินญาณก็ทำนองเดียวกั น, น, น, ก น, กนมันไม่มีตัวมีตนแต่เราทราบมันเป็นนามธรรมสิ่งเหล่านี้ก็ทำนองเดียวกันรูขมันเป็นอย่างไรนามมันก็เป็นอย่างนั้น พัจจุบันขันให้เกียดเสมอกันรูปังอนิจจังรูปังอนาาัจจาเรทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เจียดเสมอกันหมดไม่ว่ารูปหวานาำสิ่งเหล่านี้มีการเกิดขึน้นมีการแปรปวนและแตกสลายสิ่งที่เหนื้อสิ่งเหล่านี้คืออะไรเราเคยเห็นไหมเคยศึกษาไหมเคยปฏิบัติเข้าใจไหม เือเราไม่ถอใจจึงตะคุกเงาอยู่ัแจ่รีดแต่นามนี้เอยางมีวันเยัเย็นเห็นรู้สิงที่เหนือจากสิ่งเหล่านี้ไปมีการปฏิบัติก็เพื่ออยากจะรู้จะเห็นสิ่งที่เหนือสิ่งเหล่านี้คืออะไรนั่นแหละหากเห็นหากเห็นพัดเชียนจริงจังในใจแล้วจะไม่หลงไม่หลงรูปกว่าทำนา ม, มาทำไม่หลงโลกอยู่เหนือโลก ถิ่ไปเห็นไปเป็นอย่างนั้นมันจึงเย็นอยู่ตลอดเวลาสบายอยู่ตลอดเวลาทั้งทั้งทีนี่มุ่งจะละมันก็ละมันเองในมุ่งจะปล่อยจะวางมันก็วางมันเองคือถึงขั้นสุดของการปฏิบัติมันจะต้องเป็นีนต้องเห็นอย่างนั้นแต่เบื้องส่วนมันก็ลงเหมือนกันแต่ก็อาศัยหมั่นที่นี้ที่จรณาติดาตามอยู่เรื่อยๆ อ, อะไรเกิดขึ้นกัวยา ตะคุบทีเดียวให้พิจารณาทีาทวนเอาทําเขาว่าอย่าเอากิเลสตัณหาเป็นถูสอนใจผู้ไดต้ตัง้งหน้าตั้งตาที่นี้พิจารณาอย่างนั้นความเห็นความเปลี่ยนของตัวกอ น, นับวันที่ใจเริญเก่าหน้าไปสู่ความหลุดความพ้นจากกิเลสตัณหาดังนั้นเราทุกคนเกิดมาหลุดมาปายทางก็คือความตายเดือกัน จะอยู่เป็นคราวาสมันก็ตายจะอยู่เป็นพระเป็นเนรมันก็ตายจะอยู่วัดบ้านมันก็ตายจะอยู่วัดป่ามันก็ตายแต่มันตายเนี่ยเหมือนกันตายทุกตายยากตายลำบากลำคานมันก็มีพะจิตใจมันยังห่วงยังห่วงยังติดยังข้องมาถึงว่าตายทุกตายยากตายลาบากเพราะจะก่อภบก่อ ช, ชาติต่อไปอุตสตายแล้ว แต่เดี๋ยวมาอพบกลอชาติตายถูกตายสบายจะไม่มีพบมีชาติมีตายสิ่งสป็นที่เกิดท้งโลกเข า, ายัยต่อไปมันต็มีสิ่งที่ตายอย่างนั้นตายไปแล้วท่านสบายเมื่ออยู่ในถานไในถันจะต้องระวังรักษาถาดถันตามธรรมดาสมุดท้งโลกมันมีทาไมต้อพคิ ป, ป, ปฏิบัติตามเหืองท้องโลกเขาก ดูหมิ่มินทาทางศาสนาทาันทงว่าโลกกวัฏทะที่โลกเขาจะตําหนิมินทาว่าจ่าจะต้องบปเพื่อปฏิบัติไปทั้งทั้งที่ท่านไม่มีอะไรที่จะข้องจิตคิดแวะในสิ่งเหล่านั้น ท, ทันทีเจรานามาพอแล้วแต่ก็ได้ทําอยู่เหตุใดจึงทํทาเพราะสมมุติท้องโลกวันมีเหมือนมันเป็นอย่างนั้นทุกโทษส่วนเหล่านี้มันจึงยังล้องอยู่ ในถาดในขันเมื่อถาดขันมันมีอยู่พระจิตในจิตในเรื่องของถาดของขันของสมมติแต่มันก็เลยปฏิบัติตามถาดตามขันตามสมมติอยู่ขันจริงว่าพาลาฮาเวเปันจากขันพาแบกหามขันกลางห้ามันหนักเพราะเรื่องสมมติมันมีเมื่อมันหมดขันกลางห้าละถอนเกลี่ยตันหาจนสิงนสุดแล้ว กายอันนี้ก็แจกสลายไปตามหน้าที่ของมันท่านเหล่านั้นจึงหมดเรื่องที่จะย่งเกี่ยวกับผาขันอีกนี่เราเป็นอย่างนั้นห่วงเอามากห่วงเอามากเรื่องผานเรื่องขันไม่ว่าเขาว่าเราเป็นอย่ยงจิกข้องอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนั้นเพราะอาศัย้ามยังไม่ถึงฝั่งเหมือนกันกับเราไปเรือ่ามทะเลยนด่าน้าโขงน้ำใหญ่ จะต้องทนุถนอมเรือของตัวไว้ไม่อย่างนั้นเรือมันรั่วมันแตกก็จะไปถึงฝั่งให้หนีกายของเราก็ทํานองเดียวกันเราทะนุถนอมเอาไว้เผื่อมันยังอยู่จะได้ประเพสปฏิบัติไล่ทั่วบําเพ็ญดีไปทานก่ออาศัยกายนี้เป็นผู้หามาเป็นผู้ให้ศีลก่ออาศัยกายนี้เป็นผู้รักษาภาวนาก่ออาศัยกายนี้จะคาบําเพ็ญ เมื่อกายไม่มีตายมันแตกสลายไปก็เหมือนเรือโฉมในต่างน้ำํำในชาบวยจะไปเกาะไปอาศัยอะไรจพืจะไปถึงฝั่งได้ส่งไปเกาะไปอาศัยกายใหม่คือตอพร้อชาติอีกทําอีกสร้างเรืออีกเพื่อจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากคนหนุนหวังระพฤ่อปฏิบัติเพื่อผลทุกข์ จะต้องสะสมสติปัญญาวิชาความรู้สะสมคุณงามความดีทวีคูณขึ้นไปเล่นใบแต่คนตายใจนอนใจมันจะเกิดเป็นอะไรก็ช่างมันเกิดเป็นใสเดียนก็หยามมันเกิดเป็นมดเป็นปลวกก็ายามันตัวผู้ตัวเมียมันมีเขาก็ยังยินดีอยู่ได้แล้วก็เต็มใจจะไปอยู่กับเขาแต่จิตมันต่ำซ้ำขนาด น, นั้นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรให้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะมันมืดมิดจิตบังเอาหมดคนถิดคิดจูงไปในเนี่ยนี้มืด น, นี้อย่างนี้กานคิดว่าเป็นปัจฉะประมะคือมืดมองไม่เห็นอะไรพระพุทธเจ้าไหมสามารถถือพยากรณ์ว่าคนนั้นลิสัสตัวนั้นจะตายไปสู่จุดใดเพราะมันยังทราบไม่ได้เพราะมันไปทุกทิศ ท, ท, ทุกทางทุกอย่างทุกอันที่มันจะทําไป โดยอำนาจยิเหลียตัญหาในใจถักดันท่านจึงตัดสะพานท่านหนึ่งแนะไม่สอนคนแบบนั้นมีสวกเราท่านยังมีความสนใจได้ขอมาศึกษาปฏิบัติธรรมะทานเราก็เคยให้ตามกำลังตามามสามารของเราที่จะอำนวยศิล้วก็ถือวันถือเวลามารักษากันหรือบางท่านบางคนก็รักษาตลอด ได้ข้อหนึ่งขอ้อใดก็ยังดีกว่าคนถิ่นในมีเชลเลยคนที่ไม่มีอะไรเชลเลยแต่เหมือนคนที่ไอ้กายไปสถานที่ใดเขาก็ดูหมิ่นนินทาเข้าฮะผู้ฮัคนก่อละอายเพราะมันมีเสื่อง 60, อกจิตอวัยวะหล่างกายต่างๆคนถิ่นี่ขาก็เหมือนหนึ่งผ้าขาดก็ยังดีกว่าคนถี่นทียไกายดังนั้นเรื่องการจะทําบําเพ็ญ จึงจำเป็นที่พวกเราท่านทุกคนอยากจะทำบำเพ็ญให้มันดีเด่นขึ้นไปชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดยิ่งมุินิพพานก็สั่งคุณงามความดีเอาไว้าะทานที่เราให้ไปไม่เลยเหยียไปที่ไหนเราให้เพราะเราเป็นคนเศรษฐีรับผลที่ตัวของตัวทำคนที่ให้อันนั้นให้อันนี้หม่ยถึงเเป็นเศรษฐีหมายถึงเขามั่งมีร่ำรวย บางผ่านบางคนก็อาจจะเนตคิดผิดไปในแง่นั้นคนจีตเคยไปให้ทานทำบุญอยู่เรื่อยๆก็เห็นเขาอยากชวนเห็นใจจะขอคนจิตเคยให้จะขีมากินไหมมานุ่งมาหอมไหมคนจีตไม่เคยให้อะไรแต่จะวันเกิดได้อะไรมาก็เก็บรักษาเอาไว้แต่จะใช้สอยก็ยังไม่ยอมคนแบบนั้นก็ไปเห็นเขาลำบวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอะไรก็ให้คิดพิจานณาดูนี่คือผลทาน ให้ผลในปัจจุบันทันตาเราเห็นเราให้ใจใจเราเย็นใจเราเป็นสุขให้อะไรลงไปใจเป็นสุขใจเยือกใจเย็นมีติอิ่มใจในการกระทําบําเพ็ญนั่นแหละท่าอยากกบุญบุญส่วนนี้แหละจะพี่ดอกออกผลให้ตายไปสุขสิเป็นที่หวังเพราะจิตของเราสุขจิตของเราก็ะเซมจิตของเรายินอย่างแจ่มใสในความดี คนดีเท่านั้นจี่จะไปเกิดเป็นเทพดาบุตรเทพธิดาได้คนชั่วไม่มีทางจะมีเข่าของเงินทองมากไมกใจฟองขนาดไหนไปจ้างเธอะไม่มียานพานะที่ไหนจะนําไปเป็นเทวดบุตรเทวดาหยุดปราสาทวิมานได้ฉะนั้นบุญจึงควรแสวงหาในควรจะปล่อยวันเวลาให้เป็นหมันสัางเอาไว้ทําเอาไว้หนีไม้มถึงคืดที ยินดีนในการเรียนร่ายกายเสือต่อไปคือ ท, ที่ไม่ยอมเรียนร่ายกายเสือพยายามทีนี้พิจเจนาก็มาฐานห้าอย่างที่ครูบาอาจารย์ถั่นสอนนึพิจเจนาทั่วไปในอวัยวะร่างกายก็ได้ให้เห็นตามเป็นจริงของมันว่าอนิจจังทุกขังอนัตต า, า น, นั้นมันในนี้อยู่ตาหรับตารามันอยู่ใ น, ในกายในวาจา ใ, ในใจของเราเท่านั้น ทิดคนคิดจนาหาเหตุผลสอนจิตสอนใจของตนที่เคยลุ่มหลงหมืด บ, บอดให้กับสว่างสวให้เข้าใจตามเป็นจริงขึ้นความลุ่มหลงตกออกไปขาดออกไปหมดออกไปใจถือเคยมืด บ, บอดจะสว่างสวจะสุขจะสงบให้นี่คือทางปฏิบัติไม่ได้ไปปฏิบัติอยู่ที่ททไหนอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติกายใจของตัวทาให้ปฏิบัตินี้จะไปที่ไหนก็ไ ป, ไไปเถอะ มันมีทางที่จะเห็นจะเตืนให้อย่างความสุกความเย็นของใจถ้าปฏิบัติอยูงง่ในนี้มันก็มีมีมีแววมีทางที่จะเกิดจะเห็นจะเตืนจะรู้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้กาหนดที่เจ น, นาพระพุทธเจ้าก็อาศัยลมหายใจเขาออกเป็นครูเป็นอาจารย์กําหนดเพื่อความสงบของใจเหมือน้นมีเราเมืมีว ล, ลมหายใจมันมีอยู่เดีวยวกันทุกคนที่ยังไม่ตาย นอนหลับมันก็ยังหายใจได้ถ้ามันเป็นอัตโนมัติเราตั้งใจจะหายมันถึงจะหายออกได้ถือเข้าได้ถ้าอย่างนั้นเราตายแต่นานแล้วเพราะไม่มีสตรอยู่กับลมไม่มีสศิษีอยู่กับตัวนี่โชคดีลมมันเป็นอัตโนมัติมันออกของมันเองมันเข้าของมันเองแต่นั้นเราจะมีอายุยืนยงคงเส้นคงวามาขนาดนี้มาอย่างนั้นมันตายกันไปตั้งแต่วันเกิด ยืนอยู่ร่วมหาใจสิจะส ม, มดกวดีความรู้ผู้ที่จะมากำหนดกวดีขอให้ตั้งใจกำหนดตั้งใจบําเพ็ญหากคนใดตั้งใจคนใดเอาจริงเอาจางคนนั้นแหละจะรู้ใจเห็นธรรมะที่เยือกเย็นสี่พระพุทธเจ้าหรืออริยะเจ้าถ่วไปทันเห็นทันเป็นฉะนั้นถ่วกเราท่านตั้งหน้าตั้งตา ม, มาแต่ทำำําบําเพ็ญยิ่งเป็นนักบวชเป็นพระเป็นเมญแล้ว ไม่มีหน้าที่อธุระอะไรไม่ทําการทํางานอะไรไม่ได้ค่าขายอะไรมีแต่ตั้งใจจะกําหนดถิ่นกำหนดทํำชาระยุติปัญหาเท่านั้นอย่าไปคิดว่าเราอาภัพอาวาสนาตอกตนอาภัพอาวาสนา่ะจะมาสร้างวาสนาเห็นไหเกิดมันมีจิตเนมาบวชเป็นพระเป็นเนรเป็นเทวดเป็นชีกันอย่าคิดอย่างนั้น ก้าวหน้าต่างตากําหนดรักษาจิตใจสิ้นสยปันส่วนลุ่มหลงไปตามสัญญาอารมณ์หักห้ามเอาไว้อยากไปติดตามเรื่องของมันคิดแล้วก็ไม่เกิดคุณเกประโยชน์อะไรให้เสียวันเสียเวลาไปเปล่าเราต้องสอนใจของเราอย่างนั้นแต่มันเย็นมันเป็นเพราะการคิดกลางจรงจิดตา ม, ตามเรื่องสัญญาอารมณ์เราเป็นอรหรันตอรหรันหมดที่เดือดไปนานแล้ว มี น, ม น, นั้นาามาเป็ น, น, อ, อ, นอย่างนั้นก็ต้องหักห้ามมันไว้ต่างใจก็หมดทุกข์โศกก็หมดอยู่นั้นลมหายใจก็หมดอยู่นั้นไม่เป็นใจพิจารณาอะไรที่เป็นอับเป็นทมก็พิจารณาได้แต่มันเห็นชัดเยนขึ้นยุด ย, ยุดจวิ่วายไปตามกระแสงโลกหักมันปล่อย ม, มันยังหมมาเกี่ยวขอ้องนี่คือทางปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติ รักษาการรวมใจของเรามีอย่างนี้ทวามรู้ความสลาดความสงบความเย็นใจไม่มีใครสิจะบอกให้เจอของตัวเองจะเห็นเองเพราะทำเป็นสันทิปติเจอเห็นเองจากการจะทำบำเพนญดันั้นขอพวกเราท่านจงต่างหน้าต่างตางตทำกันอย่าไปคิดว่าอาภัพอาวาสนาบุนบาลียังไม่พอ ผมไม่พอหรหาเพิ่มเติมจิตให้มันพอมันหม่พอเราจะนอนให้มันพอเองมันจนไปใ น, ใน่ได้แต่เมง ม, มันทาการจริงจังทุกคนจะต้องอยงื้ตต่งเห็นต้องเย็นต้องสาบายไม่มีอะไรที่ยหญ่ฝกจะสาบายอยู่กับใจหมดกิเลสตัณหาพระพุทธเจ้าสรรเสริญชมเชยเรื่องการหมดกิเลสหลับเป็นท้องิเศษประเศษป่าเรื่องท้องโลก แังนั้นทุกท่านเมื่อได้สะดับรับฟังทำที่บรรยายมาจึงนำไปกำหนดที่เจนาต่างๆต่างตาจะทำบำเพ็ญต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะทีเราพอต้องนรนจีเวลาพอยิตธิ์เชิงนี้